ขอโอกาสจบเจริญพรญาติโ ย, ยมคราวก่อนที่หลวงพ่อมาเทศนะ์ใครมาฟังบ้างมีไหมคนใหม่ๆเยอะนะพวกที่ไม่ได้มากคราวก่อนเนะี่ยใครเคยฟังซีดีหลวงพ่อใครไม่เคยฟังเลยมีไหมใครไม่เคยฟังซีดีหลวงพ่อไม่เคยอ่านหนังสือนะ่ ถ้าไม่เคยฟังไม่เคยอ่านนะแรกๆเนี่ยเข้าใจยากนิดนึงเพราส่วนมากเราจะเคยชินกับการปฏิบัติแบบไหนแบบหนึ่งมาก่อนอย่างเราเลือมใส่ครูบาอาจารย์ท่านสอนพาทําอย่างนี้เราก็ทําอย่างนี้นะทีบางคนเขาก็ได้ผลบางคนก็ไม่ได้ผลอะไรเงี้ยนะจริตนิสัยคนมันแตกต่างกัน แต่สิที่หลวงพ่อสอนเนี่ยจะเป็นหลักของการปฏิบัติหลักที่ชัดว่าสมถะเขาทํากันยังไงมิปั ส, สนาเขาทํากันยังไงนะส่วนวิธีการเนี่ยพวกเราจะไปเรียนมาจากที่โน้นที่นี้บางคนก็ดูท้องฟองยุบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องวิธีการแลนะบางคนรู้ลมหายใจบางคนพิจารณานะอิธิยาบทสอะไรต่ออะไรอันนั้นเป็นแค่รูปแบบของการปฏิบัติ เราต้องรู้หลักของการปฏิบัติให้แม่นสะก่อนนะถือจะทำในรูปแบบของการปฏิบัติได้แล้วก็เลือกรูปแบบเนะี่ยต้องไปเลือกเอาตามจริตนิสัยของเราจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ทุกคนทำกรรมฐานแบบเดียวกันแล้วจะได้ธรรมะแบบเดียวกันะไม่มีกรรมฐานสำเร็จรูปที่ว่าทำแบบนี้แล้วทุกคนบรรลุไม่มีหรอกนะ ถ้ามีพระพุทธเจ้าก็ต้องสอนไว้แล้ววันนี้ท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนกรรมฐานเอาไว้ตั้งมากมายสอนวิธีปฏิบัติเอาไว้เยอะแยะเลยบางคนท่านก็ให้ทําสมาธิก่อนจเจริญปัญญาทีหลังบางคนน ะ, จะเจริญปัญญาไปก่อนเกิดสมาธิขึ้นทีหลังบางคนทําสมาธิกับปัญญาควบกันบางคนท่านให้ดูกายบางคนให้ดูเวทนาบางคนให้ดูจิตบางคนให้เจริญธรรมานุ ป, ปัสสนามีหลากหลายมากเลย กระทั้งการทำสมถะบางคนก็ทำกสศินบางคนทำอนุสติบางค น, นทำอย่างอื่นพิจารณาปฏิกูลสุภาพิจารณาความตายอะไรต่ออะไรกรรมฐานมันมีมากมายไก่กองนในรูปแบบของมนันอย่างสมถะกรรมฐานเนี่ยตามตำรายกำหนดไว้ทั้งสีแบบความจริงมีมากกว่า น, นั้นอีกอย่างบางองค์สมัยพุทธกาลบางองค์พระพุทธเจ้าเอาพระขาวให้ ให้นั่งขยียผ้าขาวแล้วบริกรรมไปเรื่อยๆ น, น, นะระโชฮะรนังระชังหรติระโชฮรนังระชังหรติผ้าเช็ดฝุ่นย้อมเช็ดฝุ่นท่านข่ียผ้าไปเรื่อยๆนะจิตท่านรวมมีสมาธิขึ้นมาอย่างนี้ น, นั่งขยียผ้าอะไรนะกรรมฐานที่จะไท้ทำให้จิตสงบในใจเยอะแยะไปหมดเลยแต่ไม่ว่าจะมีกี่สิบมีทีนะหลักก็มีอันเดียว หลักก็คือการที่ต้องน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องหลักมีเท่านั้นเองต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสนี่ยถ้าไปด่าคนแล้วมีความสุขด่าทั้งวันอะไรเงี้ยจิตไม่สงบอะต้องเป็นอารมณ์ที่ดีไม่ยั่วกิเลสอย่างพุโทโธพุโทโธไปนะใจชอบพุโทโธใจมีความสุขที่ได้พุโทโธเดี๋ยวก็สงบจิตมันไม่สงบเพราะมันเที่ยววิ่งหาความสุขไปเรื่อย จิตของเราวิ่งพล่านพล่านไปหาความสุขไปดูรูปหวังว่าจะมีความสุขไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจหวงังจะมีความสุขเ น, นจริงๆแล้วจิตเที่ยววิ่งพล่านพลนเพื่อหาความสุขถ้าเรารู้หลักอันนี้นะเราก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มันมีความสุขซะเลยมันไม่ต้องหานะมันก็จะอยู่ในอารมณ์นั้นไม่วิ่งพล่านไปที่อื่นเมื่อจิตไม่วิ่งพล่านไปที่อื่นจิตก็สงบ งั้นสมถะกรรมาฐานจะกี่สิวิธีนะหลักก็มีอันเดียวเท่านั้นเองคือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มันมีความสุขพอจิตมันอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขแล้วมันก็สงบนะได้ความสุขความสงบขึ้นมาเนี่ยที่หลวงพ่อพยายามสอนมากๆเลยคือสอนหลักของการปฏิบัติอย่างหลักของสมถะเนี่ยให้น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอยู่ไปได้วยคนไหนพุโทโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุโทโธ คนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็รู้ลมหายใจนะคนไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องพองยุบไปคนไหนขยับมือทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ทําไปนะถ้าทำแล้วมีความสุขแต่ถ้าทำแล้วอึดอัดก็อย่ายไปทําอย่างดูท้องพองยุบแล้วก็อึดอัดเครียดเนี้ยทําไงก็ไม่สงบหรอกเพราะว่าจิตไม่มีความสุขนะเคล็ดลับมันอยู่ที่ว่าต้องรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ คนนี้อยู่กับอารมณ์อย่างนี้มีความสุขคนนี้อยู่กับอารมณ์อย่างนี้มีความสุขงั้นเราเอาอย่างคนอื่นเขาเนี่ยอย่างเขาดูท้องพองยุบแล้วเได้ผลเราจะดูบ้างมันก็ไม่ได้ผลถ้าจิตนิสัยมันไม่เหมือนกันมันไม่มีความสุขงั้นเราต้องรู้จักนะรู้จักเลือกอารมณ์อย่าไปตามคนอื่นไปสังเกตเอาเองว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วจิตใจมีความสุขมีความสงบมันจะเกิดขึ้น หรือการเจริญปัญญาเนี่ยเราจะดูกายหรือเราจะดูจิตนั่งเถียงกันนะสมัยก่อนหลวงพ่อสอนดูจิตใหม่ๆเนาะคนไม่เข้าใจเลยคิดว่านอกริดนอกรอยไม่อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าในะคิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องเริ่มด้วยการดูกายนะจริงๆในตำราไม่เคยสอนอย่างนั้นเลยลในตำราสอนสติปัฏฐานสี่อย่าง ดูกายดูเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลดูธรรมะนะดูะบวนการทํางานของรูปธรรมนามธรรมเนี่มีให้ดูตั้งหลายอย่างแล้วแต่จริตคนไหนเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะท่านสอนให้ดูกายดูเวทนาเวทนาคือความสุขทุกข์นะดูกายดูเวทนามันจะเห็นในร่างกายเนี่ยไม่สุขไม่ใช่ของสุขเลยนะไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของสวยของงาม มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะมีสติตามรู้กายมากเนี่ยพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะมาดูกายให้มากเลยกายมันจะแสดงความจริงให้ดูไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามพอดูมากเข้ามากเข้าใจก็เบื่อไม่มีแม่ไปยึดถือร่างกายกนะ็ไม่วุ่นวายกับร่างกายมากพวกที่คิดมากเนะี่ยท่านสอนให้เจริญจิตตานุปัสสนาการธรรมานุปัสสนานะดูจิตจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศล เราจะเห็นเลยว่าจิตเนี่ยเป็นของบังคับไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ดีนะสั่งให้สุขก็ไม่สุขนะห้ามชั่วก็ยังชั่วอยู่เนะมื่อทีก็เตือนตัวเองอย่ากโกรธนะแป๊บเดียวก็โกรธอนะยจิตเป็นของบังคับไม่ได้ห้ามไม่ไดนะ้พวกที่เป็นนักคิดนะคิดมากชอบวิาพากษ์วิจาร์ชอบตั้งมาตรฐานอย่างโน้นอย่างนี้นะใครไม่ได้อย่างใจเราก็โกรธโมโหเขาอะไรอยงนี้ มาดูจิตดูใจของตัวเองแล้วจะรู้เลยก็ทั่งจิตของเราเรายังบังคับไม่ได้แล้วจะไปบังคับใครเขได้นะดูไปมันก็จะล้างกิเลสของเราเ อ, ง, อางนั้นกรรมฐานเนี่ยต้องดูนะจริตนิสัยของเราเองถ้าจะทําสมถะก็ดูว่าจริตนิสัยเราเป็นยังไงถ้าเราเป็นพวกมีราคะรุนแรงชอบเดีวันๆ น, นะเสริมสวยอย่างเดียวเลยนั่งหน้ากระจกแต่งหน้าทาปากทุกวันทุกวันนะวันหนึ่งหลายๆชั่วโมงอนะไรเงี้ย ดูเดินดูอะไรดูก็ดูของสวยของงามนะนิสัยชอบอย่างนี้แล้วอย่างนี้ถ้าจะทําสมถะนะก็มาดูปฏิกูลอสุภะร่างกายเนี่ยอุตสาไปพอกแล้สวยเลยข้างในจริงๆสะอาดหรือไม่สวยงามจริงไหมพนะระอรหันต์ท่านเห็นร่างกายของเรานะร่างกายผู้หญิงว่าสวยสวยนะท่านบอกเหมือนถุงหนังใบหนึ่งเหมือนถุงหนังนะมีของโสโครกอยู่ข้างในเต็มไปหมดเลย นะมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่เก้ารูเนะี่ยท่านว่าอย่างนี้นะมีรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนมีของโศกโครกไหลชุ่มออกมาเป็นนิดนะโอ้โหเนี่ยนระักสวยรักงามนะแต่งหน้าทาปากทั้งวันพนะอมาดูกายเนะี่ยมันไม่สวยเลยเนะี่ยใจมันจะค่อยๆ ค, คลายความคลุ้มคลั่งในความสวยความงามของตัวเองลงก็นะนะจิตก็สงบนะไม่วุ่นวายก็สงบคนไหนขี้โกรธ โกเก่งทนะ่านก็สอนเจริญเมตตานะแผ่เมตตาไปเรื่อยนะสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยสัตว์ทั้งหลายขอให้ได้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้ทําแล้วเถิดนอะไรงี้นั่งนึกไปไงี้นะนึกไปเรื่อ ย, ยใจก็เย็นขึ้นเย็นขึ้นนะหายกโกรธนะคนที่กโกรธก็มาเจริญเมตตาอนะไรเงี้คนใจฟุ้งซ่านมากกมารู้ลมหายใจหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเลย ใจก็ไม่ฟุ้งซ่านก็สงบเนี่ยหลักของสมถะนะท่านก็พอถึงวิธีปฏิบัติเนี่ยเยอะแยะเลยกรรมฐานต่างๆกรรมฐานแต่ละชนิดนั่นก็เหมาะกับจริตนิสัยที่แตกต่างกันไปวิปัสสนาก็เหมือนกันนะวิปัสสนาทําได้ตั้งหลายแบบมันก็เหมาะกับจริตนิสัยที่แตกต่างกันจริตนิสัยที่จะใช้ทําสมถะนะก็มีราคะจริตโทสะจริตโมหจริตพวกเราเคยได้ยินไหม หรือได้ยินแต่ดัดจริตราคะจริตโทสะจริตโมหจริตนี่พุทธิจริตนีชกชอบใช้เหตุใช้ผลวิตตกจริตพวกฟุ้งซ่านนะศรัทธาจริตพวกเชื่อง่ายอะไรก็ศรัทธาไว้ก่อนนี่จริตหกอย่างเนี่ยเอาไว้ดูว่าเราควรจะเลือกทำสมถะด้วยวิธีใดนะส่วนจริตนิสัยในการทำหิปัสนามีสองจริตเอง เรียกว่าต <Wow. S 1> <pe> <no> yes, ัณหาจริต <c> ก <med yas> we ับท <po> ิฏฐิจริตตัณหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยพวกนี้ดูไกลเลยดูกายกับดูเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์นะพวกอีกอันหนึ่งเรียกว่าทิฏฐิจริตพวกคิดมากนะเจ้าความคิดเจ้าความเห็นคนรุ่นเราเนี่ยเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเยอะนะมีความคิดความเห็นทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องของเราก็ยังมีความเห็นได้ชอบออกความเห็นเนี่ยคนที่เจ้าความคิดเจ้าความเห็นนั้นตธรรมฐานที่หมอาะคือดูจิตนะ แกเจริญธรรมานุภัส ah, นาะแต่ว่าไม่ว่าจะทำกรมรมฐานอะไรนะสุดท้ายมันจะไปลงที่ธรรมานุภัสนาได้นะมันจะไปแจ้งอริยสัจเหมือนกนหมดอะไป็ลงที่เดียวกันคือความรู้แจ้งอริยสัจเพราะเราไม่ต้องไปตั้งเถียงกันนะว่ากรรมฐานอะไรดีกว่ากรรมฐานอะไรนะมันดีสําหรับคนแต่ละคนมันดีสําหรับคนไม่เหมือนกันนะกรรมฐานไม่เหมือนกันสาหรับคนที่มันแตกต่างกัน พระพุทธเจ้าถึงสอนธรรมมาไว้มากมายบกแ่า 84% ่พันพระธรรมขันธ์เพราะว่าคนมันเยอะจริดนิสัยแตกต่างกันั้นถ้าเราเห็นใครเขาปฏิบัติไม่เหมือนเราก็อย่าไปว่าเขานะเขาก็ดีของเขาส่วนเราจะไปเอาอย่างเขาเราก็ต้องสังเกตว่าเราไปทําอย่างเขาแล้วเราเจริญไหมสติดีขึ้นไหมสมาธิเรามีไหมปัญญาเห็นความจริงของรูปนามกายใจมันมีไหมถ้าไม่มีก็หาวิธีอื่นเอานะ หรือจิตไม่เคยทําไปแล้วไม่ได้ความสุขความสงบเลยทั้งๆ ท, ท, ที่มุ่งทําสมถะอย่างนี้แสดงว่ากรรมฐานนั้นไม่เหมาะกับเราเราต้องดูกรรมฐานให้เหมาะกับนิสัยของเราเองนะเหมือนเราจะซื้อเสื้อสักตัวดูเสื้อให้พอดีกับตัวเราไม่ใช่ตัวเนี้สวยอยากได้เนึกอยากได้ก็ไปซื้อมานะเสื้อตัวใหญ่เบ้อต้องมากินข้าวเพิ่มอีกให้ตัวใหญ่เท่าเสื้อจะได้ใส่ได้หรือเสื้อตัวนี้นหนึ่งนะเราตัวอย่างกระช้างน้ํา เสนะื้อตัวเล็กๆต้องมาอดข้าวอะไรเงี้ยอย่างนี้ไปไม่รอดหรอกกรรมฐ า, านแนละ้วเก็เลือกเอาอย่าติดว่าเพื่อนเราทําอย่างนี้หรืออาจารย์ที่เรานับถือทําอย่างนี้อย่างหลวงพ่อนะทำสมาธด้วยการทําอานาปนสติตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่7ขวบทําอานาปนสติแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้สอนว่าลูกศิษย์ทุกคนต้องทําอานาปนสตินะคนไหนหมาะกรรมฐ า, านไหนก็ทําอย่างนั้นหลวงพ่อจเจริญปัญญานะด้วยการดูจิต แล้วก็ขึ้นมาสู่ธรรมานุปัสสนาก็ไม่ใช่รูกศิษย์จะต้องดูจิต ด, ดูกายก็ได้รูกศิษย์หลวงพ่อดูกายก็เยอะแยะไปนะถ้เราสอนหลักนะนี่เราก็ค่อยๆเรียนนะค่อยๆฟังค่อยๆศึกษาหลวงพ่อไปไหนก็มีซีดีมีหนังสือแจกนะถ้าได้ไปก็ไปฟังฟังแล้วฟังอีกไม่นานก็เข้าใจคนที่เขาฟังซีดีเขาอ่านหนังสือนะเข า, าวนาเป็นเนี่นับจํานวนไม่ท้วนนะ ชีวิตเขาเปลี่ยนในเวลาอันสั้นนะเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยนะเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงสนะั้นลงทุกข์แว๊บหนึ่งก็ขาดออกจอากใจไปแล้วนะเราค่อยๆฟังค่อยๆเรียนไปนะเรามาใหม่ๆฟังหลวงพ่อทีแรก ง, งงทุกคนนะเพราะปะกติเราไปฟังครูบาอาจารย์เพศนะท่านอย่างท่านเคยสอนท่านเคยภาวนาพุโทโธใครไปหาท่านท่านก็สอนให้พุโทโธลูกเดียวนะนะองค์ไหน ท่านสอนอนาปนาสติท่านทำอนาปนาสติมาท่านก็สอนในอนาปนาสติห mm hmm. ลวงพ่อเนี่เรียนจากหลวงปุ ด, ดูลหลวงปุ ด, ดูลเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ที่อัศจรรย์มากเลยท่านสอนลูกศิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันในหลวงพ่อเลยเห็นแบบอย่างของท่านแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกลูกศิษย์หลวงปูดูลบางคนก็ทําสมาธิก่อนแล้วม่เจริญปัญญานะบางคนเจริญปัญญาไปก่อนบางคนทําสมาธิกับปัญญาควบกันก็มี อางคนดูกายก็มีนะดูจิตก็มีไม่ใช่ว่าลูกศิษย์ลงปู ด, ดูดูจิตหมดหรอกลูกศิษย์ที่ดูจิต น, ะน้อยกว่าลูกศิษย์ที่ดูกายซะอีกนะนี้เพียงแต่ว่าอย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนเมืองท่านเห็นหน้าหลวงพ่อวันแรกกนะ็เข้าไปกราบท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัตินะหลวงปู่เห็นหน้าหลวงพ่อหลวงพ่อถามปุ๊ท่านนั่งหลับตานะนั่งเงียบเงียบไปเกือบชั่วโมงลืมตาขึ้นมา ท, ท่านก็สอนเลยบอกว่าการปฏิบัตินะี่ไม่ยาก ยาเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองคือท่านนั่งสอบประวัติเราว่าเราควรจะทํากรรมฐานอะไรนั้นะท่านสอนกรรมฐานสําหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อเนี่ยท่านเห็นว่าเป็นคนเมืองเป็นคนอยู่ในเมืองเกิดในเมืองนะไม่ได้เคยทําไร่ทํานาอะไรนะทํางานก็ใช้ความคิดเรีนหนังสือก็ใช้แต่ความคิดนะก็เป็นคนที่ช่างคิดนะเหมือนพี่พวกเราส่วนใหญ่ในยุคนี้เป็นนะ งั้ท่าก็เยสอนกรรมฐานที่เหมาะกับพวกช่างคิดคือให้ดูจิต ด, ดูใจตัวเองนะเมือนพวกเราเขาต้องดูตัวเองนะไปสังเกตเอาว่าเราควรจะทำกรรมฐานอะไรอยากติดอาจารย์อยาเอาอย่างอาจารย์เอาหลักเท่านั้นแหละนะนะถ้าหลักในการทำสมถะนะให้น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยัว่วกิเลสนะถ้าเป็นหลักของวิปนะัสสนาจะใช้วิปัสสนาวิธีใดก็ตามหลักก็มีอันเดียวกัน คือให้มีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจนะตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางมันจะมีคำสาคัญอยู่คำหนึ่งนะคำว่าด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่แหละคือจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องนะพวกเราบางคนนะส่วนใหญ่ของนักปฏิบัติที่ผ่านมาในรอบหลายสิบปีนี้พลาดตรงที่ไม่เรียนเรื่องจิตให้ดีนะไม่ได้เรียนเรื่องจิตให้ดีก่อน ท, ทั้งที่บทเรียนของพระพุทธเจ้านะั้นเริ่มจากศีลศิกขาเรียนเรื่องศีลนะทำยังไงศีละจะเกิดทัานที่2อท่อานสอนเรื่องจิตศิกขาเรียนเพื่อให้จิตนะมันมีสมาธิที่เหมาะสําหรับการเจริญปัญญาพอจิตเราได้รับการปรับให้ดีแล้วเหมาะกับการเจริญปัญญาแล้วมันก็ถึงขั้นปัญญาศิกขาเนี่ยก็มีคนสองจำพวกนะพวกหนึ่งก็ไม่ได้เรียนว่าจิตศิกขาจริงๆคืออะไรเขาก็นั่งสมาธิเลย พอนะคิดถึงการปฏิบัติก็นั่งสมาธิไปหลับตาเงียบๆไปไม่ยุ่งกับใครนะไม่รู้ว่าสมาธิมีหลายแบบสมาธิที่ส่วนใหญ่ทำนะมันเป็นมิจฉาสมาธนะิเป็นโมหะสมาธิทําแล้วโมหะครอบทําแล้วราคะแทรกอะไรเงี้ยนั่งแล้วก็ซึมๆไปนั่งแล้วก็เคลิ้มๆไปนั่งแล้วก็มีความสุขนั่งแล้วก็เห็นโน้นเห็นนี่ไปนะในพวกนี้ก็ฟุ้งไปอีกแบบหนึ่งนะพลาด เพราะว่าไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตศิกขาให้ดีแล้วได้สมาธิที่ไม่ถูกอีกพวกหนึ่งก็หนักกว่านี้อีกนะเพราะนาจะหนักพอๆกันคือไม่เอาเรื่องสมาธิเลยนะเอกอาร์ AI ก็ถือศีลได้แล้วก็เจริญวิปัสนาเลยนะไม่สนใจที่จะพัฒนาจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญวิปัสนาจิตไ ม, ไม่ได้มีความพร้อมที่จะทำวิปัสนาก็อุตสา์ไปทาวิปัสนามันทาไม่ได้จริงหรอก เกือบร้อยลร้อยของคนที่แขวนป้ายว่าทำวิปนะัสสนาไปทำสมถะโดยที่ไม่รู้ตัวเลยอย่างบางคนเดินจงกรมเดินจงกรมนะยกเท้าย่างเท้าหลายรู้หมดเลยบอกว่าทำวิปัสสนายังไม่เป็นวิปัสสนาการที่เราเห็นรูปหรือเห็นนามเนี่ยมีสติระลึกรู้รูปมีสติระลึกรู้นามเนี่ยเป็นสมถะกรรมฐานนะไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานจะเป็นวิปัสสนาได้ต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนาม เราต้องเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะงั้นอย่างเราเห็นเท้าที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่ได้เห็นไตรลักษณ์แต่เห็นอะไรเห็นเท้าหรือเราเห็นท้องพองท้องยุบนั้นเราเห็นอะไรเราเห็นท้องเราไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ถ้าตรับใดไม่เห็นไตรลักษณ์ตรับนั้นไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานนะแม้จะดูรูปดูนามก็เป็นสมถะสมถะกรรมฐานเนี่ยเป็นเรื่องปรารถนไม่เลือกอารมณ์ สมถกรรมฐานน่ะใช่อารมณ์บัญญัติก็ได้เรื่องราวที่เราคิดอย่าเราคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าคิดถึงคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เราคิดถึงศีลที่เราทําดีแล้วคิดถึงทานที่เราทําดีแล้วนะเราคิดถึงความตายเราคิดถึงร่างกายนะเราคิดถึงความสงบเราคิดถึงคนดีๆที่เรียกว่าเทวตาโนสติเราคิดไปในทางดีอย่างนี้นะเนี่ยเรียกว่าอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดเรื่องราวที่คิดน่ะทำสมถะได้ คิดไปแล้วใจก็สงบนะคิดเลือกเรื่องที่คิดเนอะใจใจจะสงบได้ดูอารมณ์รูปนามนะกนะ็เป็นสมถะนะเป็นสมถะได้อย่างเราดูท้องพองท้องยุบท้องพองท้องยุบนะจิตไม่หนีไปไหนเลยจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวคืออยู่กับท้องแม้หลักของสมถาก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่ององั้นเราดูท้องพองยุบแล้วสบายใจจิตจับอยู่ที่ท้ทองสมถาร้อเเซต์นะ เราเดินจงกลมยกเท้าย่างเท้าจิตเราจับอยู่ที่เท้าสมถร้อยซนะเพราะจิตเลืนไปจดจอน้อมลงไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวอย่างต่อเนื่องก็คือหลักของสมถะถ้าไม่รู้หลักนะั้นเราจะมั่วซั่วเลยเราคิดว่าทำวิปัสนานะหรืออย่างบางคนดูจิตแล้วไปเพ่งจิตให้นิ่งให้ว่างนะไปดูจิตให้นิ่งว่างแล้วนะจ้องอยู่ในความว่างเพ่งความนิ่งเพ่งความว่างนะมันก็คือสมถะนะเพ่งความไม่มีอะไรว่าง ตรงที่ดูความว่างลงไปหลับตาละใจว่างๆดูในความว่างเรื่องอากาศสานัญจา ย, ยตนะเป็นสมถะอย่างหนึ่งนะหรือเข้าย้อนกลับมาประคองจิตมาจับอยู่ที่ตัวรู้มาจับอยู่ที่จิตเรียกว่าวิญญาณนัญจา ย, ยตนะก็เป็นสมถะอีกอย่างหนึ่งนั้นดูกายนะก็เป็นสมถะนะดูจิตก็เป็นสมถะได้ไม่ใช่ว่าดูจิตจะเป็นวิปัสสนาดูกายเป็นวิปัสสนาอย่างเดียวไม่ใช่นะ นั้นไม่ว่าเราจะดูรูปหรือดูนามนะเป็นสมถะได้ไม่ใช่วิปัสนาเสมอไปหรอกอารมณ์อีกชนิดหนึ่งนัอารมณ์แรกอารมณ์ปัญญัติเรื่องราวที่คิดก็ใช้ทําสมถะดูรูปดูนามก็เป็นสมถะอารมณ์อีกชนิดนึงคืออารมณ์นิพพานเพื่อใช้ทําสมถะพระอริยบุคคลเนี่ยจะทําสมถะใช้อารมณ์นิพพานทําสมถะเขาเรียกว่าภารสมบัติบางคนก็เข้าใจผิดนั่าสมาธิจิตดับลงไปแล้วคิดว่าเนี่ยเข้าภารสมบัติไอนั้นไม่มีจิต อันนั้นไม่ใช่พระสมบัตินะอันนั้นเป็นผลลูกฝักอสัญญาสัตตาภูมิเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนทางนั้นนะถ้าเราไม่เรียนเอามั่วไปแล้วก็นึกว่าปฏิบัติอยู่ส่วนใหญ่ของผู้ปฏิบัติเนี่ยไปติดอยู่ที่สมถะทางนั้นเลยพวกหนึ่งนั่งสมาธิมากนะก็ไปติดสมถะเคลิมเคลิมไปพวกหนึ่งไปกําหนดรูปกําหนดนามก็ไปติดสมถะไปเพ่งรูปเพ่งนามนะทำยังไง ที่เราจะขึ้นวิปัสสนาแท้ๆได้ตัวนี้สําคัญนะถ้าพวกเราไม่ได้เรียนอนันนี้เราก็ทำไม่ได้เนี่ยเราไม่ได้รับประโยชน์จากการที่เราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเราไม่ได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเลยถ้าเราทําวิปัสสนาไม่เป็นนะก่อนที่เราจะเจริญวิปัสสนาวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการเจริญปัญญานะให้เห็นความจริงว่ารูปนามกายใจของเรานี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่รูปธรรมเป็นแค่นามธรรม ถ้าวันใดที่จิตเรารู้แจ้งนะว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นรูปธรรมนามธรรมเท่านั้นนะวันนั้นแหละเราจะเป็นพระโสดาบันนะถ้าลึกซึ้งต่อฝาจากนั้นนะเจริญปัญญาถัดจากนั้นไปเนี่ยเห็นความจริงเลยว่ารูปธรรมนามธรรมนี้ตกอยู่ใต้กล่องทุกเป็นตัวทุกล้วนๆเลยร่างกายนี้เป็นทุกตัวทุกล้วนๆมีแต่ทุกมากกว่ทุกน้อยจิตใจนี้เป็นตัวทุกล้วนๆมีแต่ทุกมากกว่ทุกน้อย เห็นทุกข์แจ่มแจ้งอย่างนี้นะจิตจะสลัดขืนกายคืนใจให้โลกไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจอเป็นพระละหันนะเพราะะมันมีไม่พ้นไปจากการเรียนรู้ความจริงของกายของใจหรอกเบื้องต้นเรียนให้เห็นเลยว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเมื่อปลายเรียนให้เห็นเลยว่ามันเป็นตัวทุกข์เะฉั้นการเจริญวิปัสสนาเนี่ยมุ่งมาให้เราเกิดปัญญาเห็นความจริงในสิ่งที่หลวงพ่อบอกนี้ก่อนที่เราจะมาเจริญปัญญาเราต้องเรียน2 อ, อย่าง หเราต้องเรียนวิธีที่จะเตรียมจิตให้พร้อมสําหรับการเจริญปัญญานะอันที่2เมื่อเรามีจิตที่พร้อมจะเจริญปัญญาแล้วเราต้องรู้วิธีเจริญปัญญานะวิธีดูรูปเนี่ยไม่เหมือนกับวิธีดูนามดูรูปประทับกับดูนามธรรมเนี่ยดูไม่เหมือนกันนะคลวิธีกันสิ่งเหล่านี้เรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้นะต้องค่อยๆเรียนเอาขั้นแรกเลยการเตรียมจิตให้พร้อมสําหรับการทํามิจฉาสนา จิตที่จะใช้เดินวิปัสสนาเนี่ยต้องเป็นมหากุศลจิตญาณสัมพยุทธะสังขาริกังชื่อยาวมากเลยเป็นมหากุศลจิตจิตได้เป็นกุศลไม่ประกอบด้วยราคะโทสะโมหะจิต ท, ที่เป็นกุศลมีลักษณะที่เบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่สืมไม่ทื่อซื่อตรงในการรู้อารมณนะ์เนี่ยจิต ท, ที่มันเป็นกุศลเป็นมหากุศลจิต ประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่แค่ว่าเป็นกุศลแล้วก็รู้ตัวอยู่เฉยๆบางคนสอนกันนะว่าหัดฝึกนะขั้นแรกรู้สึกตัวขั้นที่สองก็รู้สึกตัวขั้นที่3าก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวไปเรื่อยๆประคองความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆแล้วบอกว่าจะบรรลุมรรคผลบรรลุมไม่ได้เลยนะมันไม่ใช่แค่นั้นมันต้องเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญาด้วยคือเจนจิตที่เห็นใจรักษได้ถ้าไม่เห็นไตรักณ์ไม่เรียกว่ามีปัญญาจริงนะแล้วก็เป็นอาสังคาริกัง เกิดเองไม่ใช่แกล้งทำให้เกิดไม่ได้สั่งให้เกิดไม่ได้น้อมให้เกิดนะไม่ต้องชวนให้เกิดต้องเกิดอัตโนมัติเนี่ยเราต้องมาฝึกจิตของเราให้เชี่ยวชาญ น, นะจนกระทั่งจิตของเราเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแล้วก็มีจิตที่ไม่ไม่ได้ติดอยู่ในความนิ่งความว่างเป็นะจิตที่น้อมออกไปเจริญปัญญาได้ในพระไตรปิฎกท่านพูดถึงการเข้าฌานนะ ชาหนึ่งสพอออกจากฌานเนี่ยท่านใช้คําว่าน้มน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะเห็นไหมไม่ใช่ว่าพอเข้าฌานแล้วจิตอยู่กับจิตรู้ตัวอยู่เฉยออกจากฌานแล้วก็รักษาจิตเอาไว้เฉยๆนะไม่ไม่รู้จักคําว่าน้มน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะอันนั้นคือการเอาจิตที่มีคุณภาพแล้วไปเจริญปัญญาเพราะฉั้นะเราจะเรียนให้มากนะสเรื่องนี้เรียนให้เยอะว่าทํำยังไงจิตเราจะมีคุณภาพที่ถูกต้อง อันที่2เมื่อจิตมีคุณภาพแล้วทําอย่างไรถึงจะเอามันไปเจริญปัญญาได้วันนี้หลวงพ่อเพชรให้พวกเราฟังเนะี่ยเรารับได้ไม่หมดหรอกนะเนื้อหามันมากมายมหาศาลไปฟังซีดีฟังแล้วฟังอีกนะฟังไปเรื่อยเดี๋ยววันหนึ่งก็ภานาเป็นแล้วจะรู้ว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดหรอกแต่ว่าถ้าทําให้เป็นนะไม่รู้หลักนะยากที่สุดเลยทำล้มลุกลุลานทุกทรมานมากบางคนภาวนาซะเป็นบ้าเลยเคยได้ยินไหม พอปัญหาอยู่บ้านดีๆไม่บ้า น, นะไปพาวนาซะบ้าเลยก็มีเพราะนาผิดนะถ้าภาวนาถูกไม่บ้าหรอกนะคนบ้ามาภาวนายังหายบ้าเลยแต่ไม่ต้องพาไปให้หลวงพ่อน่ะต <c oughs> ุ่ยมาเองก็มีบ้างแลภาวนาไปช่วงก็หายนะจิตมันเดินถูกแล้วก็หายแต่ถ้าเป็นโรคประสาทไม่หายนะโรคประสาทเป็นโรคทางวัตถุทางร่างกายนีภาวนาทางจิตไม่หายแต่ถ้าโรค เกิดจากความเครียดจากอะไรพวกนี้พ อ, อนานรอบหายนะวิธีที่จะเตรียมจิตให้พร้อมทำยังไงจิตที่จะพร้อมเนี่ยจิตต้องถอยตัวออกมาจากโลกของความคิดได้จิตเป็นคนดูได้นะเราต้องค่อยๆฝึกทำมันทำได้หลายแบบนะแบบหนึ่งเข้าฌานซึ่งพวกเราหลายคนส่วนใหญ่เข้าฌานไม่ได้นะแค่ฌานเป็นยังไงเราก็ไม่รู้จักละเราต้องใช้อีกวิธีหนึ่ง มิติที่เราอาศัยสติรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปเวลาจิตมันเคลื่อนไปจิตเนี่ยเคลื่อนได้หกช่องเคลื่อนไปดูรูปเคลื่อนไปฟังเสียงเคลื่อนไปดมกลิ่นเคลื่อนไปรู้รสนะเคลื่อนไปรู้สัมผัสทางกายเคลื่อนไปคิดนึกทางใจในจิตเราเคลื่อนที่ได้หกทางอย่างเวลาเราขับรถไปตามถนนนะมีรถชนกันเนี่ยเราตั้งใจเราสนใจใช่เราไปดูที่รถชนกันใครเคยเคยสนใจแบบนี้ม เกือบทั้งหมดอนะรถชนกันนะต้องดูกลัวก็กลัวนะก็จะเห็นศพเล่เท่กลัวก็กลัวแต่ว่าไม่ดูก็ไม่ได้นะต่อขนาดที่เราตั้งอกตั้งใจไปดูรถที่ชนกันอนะสังเกตไหมว่าใจเราวิ่งไปอยู่ที่เขาแล้วเราลืมกายลืมใจตัวเองงั้นเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไรลืมใจนะเมื่อนั้นเรียกว่าขาดสติแล้วนะนะต้องรู้สึกกายต้องรู้สึกใจไหมจิตเนี่ยมันถ้ามันไหลออกไปทางตาไปดูรูปมันก็ลืมกายลืมใจ ไหลไปฟังเสียงมันก็ลืมกายลืมใจไหลไปดมกลิ่นก็ลืมกายลืมใจพวกสาวๆนะสมัยก่อนหลวงพ่อยังไม่บวชอนะ่ะเคยเดินศูนย์การค้าเหมือนกันเห็นไปซื้อน้าหอมนะเอามาป้ายที่มือใช่ไหมดมดมด ม, ดมในขณะที่ดมนะั่นนะรู้อะไรรู้กลิ่นใช่ไหมขณะนั้นมีร่างกายก็ลืมมีจิตใจก็ลืมคนโทรศัพท์เคยเห็นไหมเดินคุยเดินคุยคุ ย, คยนะถ้า ท, ทางตลก ในขณะ น, น, นั้นเขารู้เรื่องที่คุยแต่เขาลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อเราชอบไปรู้ของอื่นเราชอบไปดูรูปแล้วก็ลืมตัวเองไปฟังเสียงแล้วก็ลืมตัวเองไปดมกลิ่นแล้วก็ลืมตัวเองไปรู้รสแล้วก็ลืมตัวเองไปรู้สัมผัสาทางกายแล้วก็ลืมตัวเองอย่างเวลายุงกัดเวลามองเนี่ยจะมองอะไรมองร่างกายหรือมองยุงมองยุงมัยมันอยู่ตังนี้เอง <c oughs> ใจเราจะออกนอก สนใจข้างนอกในขณะนั้นยุงนี่เป็นพระเอกแล้วเป็นนางเอกเพราะยุงที่มากัดนี่ ย, ยุงผู้หญิงยุงผู้ชายไม่กัดแล้วใจเราก็ไปอยู่ที่ยุงใจเราออกนอกหลวงปู่ดูได้ว่าส่งจิตออกนอกเวลาเราคิดเวลาเราคิดสังเกตแม้เรารู้เรื่องที่คิดแต่เรามีร่างกายเราก็ลืมเรามีใจเราก็ลืมรู้จักเหม่อไหมเหม่อเป็นไหมใจลอย เวลาเมื่อเวลาใจลอยก็ยคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ใช่ไหมในขณะนั้นมีร่างกายก็ลืมมีใจก็ลืมเนี่ยลักษณะของใจที่มันไหลไฟนะมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคําว่าสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่จะใช้เจริญปัญญาเป็นสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะจิตใจไม่ลืมตัวเองนี่คนทั่วไปนะีมันหลงออกนอกตลอดนี่เราต้องมาฝึกการที่จะมาฝึกคอยรู้ทัน จิตที่ไหลออกทั้งหช่องเนี่ยทยากมันมากไปเอาช่องเดียวนะช่องที่จิตไหลบ่อยที่สุดคือช่องอะไรตาหลับตาแล้วคิดได้ไหมช่องใจนอนหลับเนี่ยตายัางปิดอยู่ใจยังคิดเลยใใจนี่นะคิดตลอดวันตลอดคืนคิดกลางวันเรียกว่าคิดคิดกลางคืนเรียกว่าฝันนละ้นช่องของใจเนี่ยเป็นช่องที่จิตออกไปทางานมากที่สุดเลย เราเอาช่องที่สำคัญที่สุดเลยนะต่อไปนี้เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเคยทำท้องผองยุบ ก, ก็ดูท้องฝองยุบต่อไปแต่ไม่ได้ดูท้องผองยุบแล้วน้อมจิตให้ไปอยู่ที่ท้องถ้าน้อมจิตไปอยู่ที่ท้องจะได้สมาธิแบบที่หนึ่งคือสงบอย่างเดียวได้สมถะถ้าเราดูท้องผองยุบแล้วจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนไปที่ท้องเรารู้ทันจิตมันเคลื่อนไปคิดเรารู้ทันเนี่ยคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อน จิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องก็รู้เราเรามาทาอนาปานสติเราหายใจอยู่จิตเคลื่อนไปคิดเราก็รู้นะจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจเราก็รู้เวลาเดินจงกรมจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าก็รู้คอยรู้ทันจิตให้บ่อยๆนะถึงจะเรียกว่าจิตประสิกขาเรียนรู้จิตตัวเอง ถ้าเราเรียนรู้จิตตัวเองได้มากเข้ามากเข้าในพอจิตเคลื่อนปรับสติรู้ทันเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเยเราจะได้สมาธิคือความตั้งมั่นเกิดขึ้นสมาธิไม่ได้แปลว่าความสงบนะไปเปิดพระชนานุกรมดูให้ดีสมาธิปแปลว่าความตั้งมั่นของจิตจิตไม่ตั้งมั่นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสตระกูลโมหะภาษาแขกเรียกว่าอุททั จ, จถ้าเมื่อไหร่สติรู้ทัน จิตที่มีโมหะจิตที่มีความฟุงรรนะ้งซ่านโมหะจะดับอัตโนมัติเพราะว่าอะไรเพราะสติเกิดเมื่อไหร่อาคุศลจะต้องดับเมื่อ น, นั้นนี่เป็นกฎของธรรมะนะสติเกิดเมื่อไหร่อาคุศลจะต้องดับทันทีเลยนะแล้วถ้าอาคุศลเกิดเมื่อไหร่สติก็ดับทันทีเหมือนกันไม่อยู่ร่วมกันนะงั้นเราอาศัยหลักตรงนี้แหละเราคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปคิดคือจิตที่มีโมหะนั่นเองมีความฟุง้งซ่านนั่นเอง ท, ทันทีที่รู้ว่ามันไหลไปรู้ว่ามันฟุ้ง ความฟุง้งซ่านจะดับเมื่อความฟุง้งซ่านดับจิตจะสงบด้วยนะแล้วตั้งมั่นด้วยไม่ใช่สงบแล้วก็เคลิ้มเคลิมลืมเนื้อหลืมตัวจิตใจจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกตัวขึ้นมาได้พวกเราต้องทําตัวนี้ให้ได้ถ้าเราปรารถนาจะได้มากผล น, นิพพานในชีวิตนี้เราต้องฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวให้ได้จะเข้าชาญเป็นหรือเข้าชาญไม่เป็นไม่สําคัญแต่จะต้องมาฝึกให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวซะก่อน ถ้าจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราจะสามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ไหมไม่มีทางเลยเพราะมันลืมตัวเองไปแล้วการที่เรามาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยก็เพื่อเราจะได้สามารถเรียนรู้ความจริงหรือเจริญปัญญานะว่าความจริงของกายของใจความจริงของมันเป็นไตรลักษณ์ไม่มีเรื่องอื่นเลยร่างกายนี่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตนี่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์แต่เราจะเห็นความจริงของกายของใจไม่ได้ถ้าเราลืมกายถ้าเราลืมใจ งั้นเราต้องพยายามรู้สึกกายรู้สึกใจนะพยายามรู้สึกตัวให้มากเนละงั้นงานที่1 น, นะของเราที่จะลงมือปฏิบัติทางจิตนะีงานที่1เลยก็คือการฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวหรือการฝึกจิตให้มีสมาธิที่ถูกต้องหรือสมาธิที่เรียกว่าล an ักคนูปนิชฌานนะไม่ใช่สมาธิที่เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมะคืออารมณ์อารัมมณูปนิชฌานคือจิตที่เพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเช่นดูท้องผองยุบก็เพ่งอยู่ที่ท้อง รู้ลมหายใจก็เพ่งอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจเป็นของถูกรู้ท้องเป็นของถูกรู้สิ่งใดถูกรู้สิ่งนั้นเรียกว่าอารมณ์นะในทางพุทธศา ส, สนานคำว่าอารมณ์เนี่ยแปลว่าสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่คู่กับอารมณ์ก็คือจิตจิตคืออะไรจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะนั่เป็นของที่คู่กันสมาธิเลยมี2องนนั้นหนสมาธิที่จิตไหลไปอยู่กับอารมณ์เรียกว่าอารามานุปนิชานเอาไว้ทําสมถะกรรมฐานก็เอาไวททา้ทาําทงานทางโลก เวลาเราทำงานทางโลกเราต้องจดจ่อกับงานใช่อันนั้นไม่ใช่วิปัสนาเพราะว่ามันจะลืมกายลืมใจตัวเองทำวิปัสนาไม่ได้สมาธิอีกชนิดหนึ่งคือจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตจิตจะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่จิตไม่หลงไปไม่เผลอไปมันจะสามารถเห็นความจริงของกายของใจได้นะเมรา้เราต้องฝึกนะฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจาได้ไหมประโยคนี้ คอยรู้ทันนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไปเคลื่อนไปคิดก็ได้เคลื่อนไปทำกรรมฐานไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานก็ได้ให้รู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาเนี่ยอาภัพที่สุดเลยลัคนบปนิชฌานคนไม่ค่อยรู้จักคนรู้จักแต่สมาธิเพ่งอารมณ์นะเคลื่ไปเคลิ่ไปเห็นโน้นเห็นนีนนแล้าชอบนะต้องฝึกนะพอเราได้สมาธิที่จิตใจอยู่กับตัวเองก็ามาเจริญปัญญา วิธีเจริญปัญญาเนี่ยขั้นต้นเขาเรียกว่าต้องแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์นะหรือว่าภาษาแขกตามตำราแท้ๆเรียกนามรูปปริเฉทยานนามรูปปริเฉเทยานไม่ใช่ว่าเท้าที่ยกกับเท้าที่ย่างเป็นคนละอันกันไอ้นั้นแยกรูปกับรูปไม่ได้แยกรูปกับนามนะแยกรูปกับนามเนี่ยรูปเคลื่อนไหวนามเป็นคนดูนะเนี่ยร่างกายพยักหน้าใจเราเป็นคนรู้ว่าร่างกายมันพยักหน้า รนะ่างกายยิ้มลองยิ้มสิทุกคนยิ้มหน่อยสิยิ้มหน่อยยิ้มไม้ยิ้มแล้วก็รู้สึกเห็นตัวเองยิ้มยิ้มนะลองขยับมือสิลองขยับมือแล้วรู้สึกถึงตัวร่างกายที่มันขยับใจเราเป็นคนดูมนะันดูสบายๆนะค่อยๆหัดไปนะเดี๋ยวกลับบ้านนะไปนั่งยิ้มบ้างนั่งพยับหน้าบ้างนะนั่งกระดุกกระดิกบ้างนะแต่อย่าให้ใครเขาเห็นนะ เขไม่เข้าใจกรรมฐ า, านเนี่ยก็ว่าบ้าเนี่คยค่อยๆฝึกไปค่อยๆเห็นร่างกายเป็นเคลื่อนไหวใจของเราเป็นแค่คนรู้สึกเป็นคนรู้สึกท่านั้นเองเนี่ยพยักหน้าลองพยักหน้าซิรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าแค่รู้สึกนะไม่ใช่เพ่งได้อย่างนี้ปัญญาไม่เกิดหรอกเครียดตายเลยจะต้องไปโรงพยาบาลโรคจิตนะั่นะแหลนะเราควรจะทําอะไรนะัเครียดไปหมดเลย เราปฏิบัติให้พ้นทุกข์นะไม่ใช่ปฏิบัติแล้วทุกข์มากกว่าเก่าอีกค่อยๆฝึกนะแยกรูปแยกนามเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นที่จะเจริญปัญญาแต่บางคนถ้าแยกกายแยกใจไม่ออกนะแยกจิตใจกับสิ่งที่เกิดร่วมกับใจแยกเจตสิกสิ่งที่เกิดร่วมกับใจเรามีอะไรบ้างมีความสุขความทุกข์ค่อยๆดูไปนั่งไปเรื่อยๆก็ได้นะดูกายกับใจแยกไม่ออกนั่งทนทน ไ, ไปเดี๋ยวหนึ่งก็ปวด นั่งนานๆก็ปวดขาใช่ไหมบางคนปวดหลังบางคนปวดไหล่บางคนปวดคอแต่ละคนปวดไม่เหมือนกันเพราะเกรงเงินคนละที่นั่งไปเรื่อยพอมันปวดขึ้นมาค่อยๆสังเกตความปวดไม่ใช่ร่างกายอะร่างกายมันนั่งอยู่ก่อนความปวดมันมาทีหลังร่างกายก็ไอความปวดก็ไม่ใช่จิตใจด้วยเป็นสิ่งที่จิตใจไปรู้เข้าเหมือนอย่างร่างกายเนี่ยไม่ใช่จิตใจหรอกเป็นสิ่งที่จิตใจไปรู้เข้าความปวดความเมื่อย ก็ไม่ใช่จิตใจนะเป็นสิ่งที่จิตใจเราไปรู้เขา้าหรือนั่งไปมากๆหงุดหงิดหงุดหงิดลาคาญใจขึ้นมาค่อยๆสังเกตไปความหงุดหงิดเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เขา้าไม่ใช่จิตหรอกนะค่อยๆหัดไปถ้าจะหัดเต็มรูปแบบนะนั่งก่อนก็ได้นั่งให้สบายเลยนะแล้วก็ดูค่อยๆดูไปร่างกายที่นั่งอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูค่อยๆฝึกไปนะใครช่วยมันขยับหน่อยก็ได้ ขยับท่านั้นขยับท่านี้เราก็รู้สึกเรารู้สึกถึงร่างกายนะจะเห็นในร่างกายมันเป็นของที่เราไปรู้มันจิตไปรู้มันพอนั่งไปนานมันปวดมันเมื่อนั่งก็รู้ทันความปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นก็จะเห็นว่าความปวดเมื่อยกับร่างกายเนี่ยเป็นคนละอันกันร่างกายมันนั่งอยู่ก่อนความปวดมันมาทีหลังนะแล้วความปวดเมื่อยก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตอีกนี่เราแยกได้3ขันแล้วนะรูปประขันอันหนึ่งเวทนาขันคือความปวดเมื่อย จิตก็คือตัววิญญาณขันธ์ความรับรู้นะเพราะว่าพอนั่งแล้วปวดมากๆเราเลยังไม่ขยับนะอย่าเพิ่งรีบขยับนั่งแล้วพอมันปวดมากๆขึ้นมาเนี่ยใจมันจะทุลนทุรายแล้หัวนั่งอย่างนี้เดี๋ยวจะต้องพิกลพิการนะขาคงจะเดินไม่ได้กระดูกหกักอะไรต่อไรนะคลําครวนใหญ่เลยรุ่มโกลุ่มใจทุลนทุรายสังเกตลงไปร่างกายเจ็บความเจ็บปวดอยู่ที่ร่างกาย ความทุรนทุรายมาเกิดที่จิตนั่ความทุรนทุรายของใจนะกับความเจ็บปวดที่กายนี่ควรละอันกันนะค่อยๆสังเกตไปแล้วมันก็ไม่ใช่จิตด้วยความทุรนทุรายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่ค่อยๆฝึกนะความทุรนทุรายของจิตเรียกว่าสังขารอยู่ในสังขารละขันธ์นะนี่เราค่อยๆแยกแยกแยกออกไปพอแยกออกไปแล้วเนี่ยต่อไปเราเดินปัญญาเดินปัญญาที่ขึ้นวิปัสสนานะขั้นแรก แยกรูปนามก่อนพอแยกได้แล้วก็ดูรูปดูนามแสดงใจลักษณะแหละเรียกว่าวิปัสนาวิธีดูรูปดูลงปัจจุบันเห็นไหมตัวนี้กําลังกําลังพยักหน้าอยู่เห็นไหมตัวนี้กําลังพยักหน้าอยู่แต่เวลาดูจิตจะดูตามหลังแบบติดๆกันโกรธไปแล้วโลภไปแล้วเฮ้ยเมื่อกี้โกรธไปแล้วใช่หไหมต้องโกรธไปแล้วถึงจะรู้ว่าโกรธทําไมอ้อกาลังโกรธอยู่ทําไมดูไม่ได้เพราะขณะที่ความโกรธเกิดเนี่ยสติไม่มี เมื่อไรมีสติเมื่อนั้นความโกรธดับไปแล้วนั้นเรามีสติไปรู้นะเราจะรู้ตามหลังตลอดไม่เหมือนกายนะดูรูปเนี่ยดูลงปัจจุบันขณะเรียกปัจจุบันขณะคือเดี๋ยวนี้เลยเห็นไหมตัวนี้เคลื่อนไหวอยู่นี่แหละไม่ใช่ตัวเราเนี่ยนะแต่ถ้าดูจิตดูใจนะดูตามหลังมันไปเช่นโกรธแล้วรู้ว่าโกรธนะโลภแล้วรู้ว่าโลภนะจะใช้หลักที่พระเจ้าสอนนะดูกราพิสูธทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะ จิตมันมีราคาก่อนเราก็รู้ว่ามันมีราคะดุขรพริสูจนทั้งหลายจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคะราคามันดับไปก่อนเพื่อจิตก็รู้ว่าตอนนี้ไม่มีราคาแล้วดุขรพริสูจทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะมีโทสะก่อนใช่แล้วก็รู้ว่ามีโทสะใช้หลักนี้นะเนี่ยจะมาดูกิเลสลงปัจจุบันเนี่ยไม่มีให้ดู ทันทีที่สติเกิดกิเลสไม่มีให้ดูแล้วนะงั้นเราปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้ล้างกิเลสนะไม่มีกิเลสจะให้ล้างแต่เราจะล้างอนุสัยคือสันดานที่เคยชินที่มีกิเลสเพราะอะไรพอพิสติเกิดบ่อยๆเนี่ยสันดานมันเปลี่ยนนะถ้าคนไหนชี้โมโหใช่ไหมแต่เดิมโมโหนิดหน่อยก็โมโหอะไรโมโหเรื่องนานๆโมโหทีแต่ว่าพอปล่อยตัวปล่อยใจมากๆนะพอแก่นะโมโหเก่งเลถ้าจิตมันเคยชินนะ มันมีสัาานดานเรอนุสัยนะเคยชินที่จะกโกรธมันจะกโกรธเก่งคนไหนเคยชินที่รอบมันจะรอบเก่งคนไหนเคยชินที่จะหลงมันจะหลงเก่งนะยิ่งเราปล่อยตัวปล่อยใจหลงไปเรื่อยนะมันจะหลงเก่งขึ้นเรื่อยๆเราต้องมามีสติเรื่อยๆนะต่อไปความเคยชินที่จะรอบกโกรธหลงมันจะลดลงเรื่ออนุสัยมันจะลดลงแต่ว่าไม่ใช่ล้างกิเลสกิเลสไม่มีให้ล้างนะแตจะล้างอนุสัยลงไปงั้นพยายามไปฝึกนะหลวงพ่อจะสรุป เพให้พวกเราที่ยังไม่เคยฟังหลวงพ่อจําได้บ้างนะที่หนึ่งรักษาศีลห้าเอาไว้ต้องรักษาศีลห้าถ้าไม่รักษาศีลห้าจิตจะไม่มีสมาธิศีลเสียเมื่อไหร่นะสมาธิจะค่อยๆเสือนะ่อมนะเนี่ยเทวทัศนะ์สมาธิเยอะเหะได้เลยนะแปลงตัวได้ไม่มีศีลสมาธิค่อยๆเสื่อมแต่ก็ใช้เวลาหลายปีนะเขาค่อยๆเสือเส่อมเสื่อมเสืมไปสุดท้าย แทนที่จะพ่อเคยห่อได้ห่อไม่ได้เดินอย่างเดินไม่ไหวเลยต้องให้คนเขาหามมาเนะี่ยยสมาธิมันจะเสียนะถ้าศีลเราไม่ดีงั้นถ้าเราตั้งอกตั้งใจรักษาศีลนะจิตเราจะสงบง่ายจิตเราจะตั้งมั่นง่ายอย่างคนที่คิดจะฆ่าเขาเนี่ยจิตสงบไหมเห็นไหมไม่สงบอะคนที่คิดจะขโมยเขาไม่สงบคนที่คิดจะเป็นชู้เขาไม่สงบคนที่คิดจะโกหกไม่สงบคนที่เล่าเมายาจิตไม่สงบนะ ให้เรามีศีล น, นะตั้งใจไว้เพื่อจิตใจเราสงบมีสมาธิเป็นฐานที่ดีของสมาธิถัดจากนั้นเรามาฝึกไม่ใช่ฝึกสมาธิแค่สงบอย่างเดียวนะมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะวิธีฝึกก็คือทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตเคลื่อนไปเรารู้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตเคลื่อนไปเรารู้ข้อหนึ่งรักษาศีลข้อ2ทํากรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งจิตเคลื่อนเรารู้ พอทำได้แล้วนะรู้ ร, รู้ความรู้สึกตัวยเกิดขึ้นล้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆแล้วค่อยๆแยกกายแยกใจแย ก, แยกรูปแยกนามไปนะร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันความสุขความทุกข์กับร่างกายความสุขความทุกข์กับจิตก็คนละอันกันกุศลกุศลทั้งหลายรลภโรธหลงทั้งหลายไม่ใช่กายไม่ใช่จิตนะี่ค่อยๆหัดแยกแยกแยกไปแล้วถัดจากนั้นเราถึงจะเดินปัญญาแท้ๆได้ จะเห็นเลยว่าร่างกายที่กําลังปรากฏอยู่เนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยส่วนจิตใจนั้นก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงชั่วเที่ยงไหมไม่เที่ยงเพราะไม่ต้องไปละมันหรอกนะไม่ต้องหาทางไปละกิเลสหรอกแค่มีสติกิเลสมันดับไปเองเพราะมันไม่เที่ยงมีสติให้บ่อยๆก็แล้วกัน ส่วนมากเราไม่ค่อยมีสติกิเลสมันจะเอาเราไปกินหมดเนาะสู้มันไม่ได้พยายามรู้สึกตัวนะมีสติรักษาศีน่ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวและถัดจากนั้นก็มาเจริญปัญญานะเจริญปัญญาเริ่มจากแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามแล้วดู ก, กายดูใจเขาทํางานไปดู ก, กายเขาทํางานดูใจเขาทํางานไม่ใช่ไปนั่งบังคับกายบังคับใจนะ การเจริญวิปัสสนาเนี่ยดูกายมันทํางานไปอย่างที่มันเป็นดูใจที่มันทํางานไปเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวดีก็ร้ายดูอย่างนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันแจ้งขึ้นมารู้เลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้ามันยอมรับตัวนี้ได้นี่แหละภูมิธรรมของพระโสดาบันมันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์ถ้าเมื่อไหร่เห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะเป็นพระอรหันนะ ละหานรู้แจ้งอริยสัจอริยสัจ้อที่หนึ่งคือตัวทุกนี่เองเมื่อไหร่รู้ทุกนะัเมื่อนั้นจะละสมุทัยอัตโนมัติเมื่อไรละสมุ ท, ทยัยหรือละตัญหาได้อัตโนมัติแล้วนะจะแจ้งพระนิพพานแจ้งนิโรธอัตโนมัติในขณะนั้นนะคือขณะแห่งอริยามรรคทุกสมุ ท, ทยัยนิโรธมรรคเกิดขึ้นในรู้แจ้งในขณะเดียวกันเลยนะฝึกนะสรุปอีกทีคนงงอีกแล้วถือศีลห้าไว้ก่อน ถ้าจําอะไรไม่ได้เลยจําประโยคนี้ก็ยังดีนะชาติหน้าได้เป็นคนอีกถือศีลห้าไว้ก่อนข้อที่สองฝึกจิตใจให้อยู่กับนเนื้อกับตัวข้อที่สดูกายดูใจมันทํางานเหมือนดูคนอื่นนะดูกายดูใจมันทํางานไปเรื่อยถ้าทําได้สมข้อนี้แหละชีวิตนี้มันก็มีโอกาสได้มากผลลนะถ้าไม่ทํามันก็ไม่ได้หรอกนะนี่ถ้าศีลไม่มีนะไม่มีอะไรเหลือแล้วความเป็นมนุษย์ก็ไม่เหลือแล้วสูญเสีย ท, ทุกอย่างเลย มาละพอสมควรนะจำอะไรไม่ได้ก็ถือศีลไว้ก่อนแล้วไปฟังซีดีไว้นะฟังแล้วฟังเองเดี๋ยวก็แจ้งขึ้นมาอย่างนั้นเราไม่งงกว่าคนจังหวัดอื่นหรอกหลวงพ่อไปเทศมาตั้งไม่รู้กี่จังหวัดแล้วนะตามถนนหนทางที่เจอนะไปเข้าปั๊มน้ํามันอย่างเงี้ยเจอคนเขามาหาเราขอบคุณหลวงพ่องนอย่างนี้นะเนี่ยผมปฏิบัติฟังซีดีที่จิตมันเปลี่ยนแล้วอะไรต่ออะไร แล้วก็อนุโมทนานะแต่เราอยากเข้าห้องน้ำอะ่ะ <c oughs> <c oughs> รอให้ออกมาก่อนแล้วค่อยถามก็ไม่ได้ <c oughs> อา้าพอสมควรแล้วนะใครมีอะไรจะคุยกับหลวงพ่อบ้างไหมได้มีมคนอาจ์ท่ะที่เรียนถามหลวงพ่อครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าให้เจริญปิติต่ตอไปแล้วจะเกิดเป็นอุเบกขาโยมก็กลับไปทำ แล้วมีอยู่วันหนึ่งยมก็ไปทำอย่างที่หลวงพ่อสอนว่าวันครั้งที่แล้วยมหลวงพ่อสอนว่าให้เจริญปีติต่อไปแล้วแล้วจะเกิดเป็นอุเบกขาแล้วยมก็ถามหลวงพ่อว่าให้เจริญอุเบกขาหรือคะหลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่เจริญปีติต่อไปแล้วจะเห็นอนิจจังแล้วมันจะอุเบกขาออืณ์ตอนนั้นยมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วยมก็ไปปฏิบัติต่อออืแล้วมีอยู่วันหนึ่งยมก็ทำงานตามปกติอยู่ดีๆยมก็เห็น เห็นสิ่งหนึ่งมันเหมือนเกิดเข้ามาแล้วมันก็หายวับ <nickel, S 1> ไปในทันทีอืมทีนี้โยมก็ <tão S 2> ไปเรียนถามกัลยาณมิตรที่ที่ที่ที่คุยกันอ <nickel. S 2> ืเธอก็บอกมาว่าอ๋อมันเป็นความชํานาญของจิตหนูก็จะถามว่าที่โยมทําเนี่ยต่อเนี่ยถูกไหมคะถูกสิทําต่อไปแต่ทีนี้พอพอพอกัญญาณมิตรท่านท่านทักว่า โยมเหมือนคนจิตไม่มีกำลังทำให้โยมสับสนว่าเราโยมจะทำอะไรต่อ <c oughs> สงสารสนมากคำุ้นเนี่ยการยานะมิตรพูดเยอะไปถึงจริงก็ไม่น่าพูดใช่ไหมเวลาเรียนกรรมฐานนะมันก็คล้ายๆงานศิลปะนะต้องค่อยๆขึ้นรูปค่อยๆปั้นค่อยๆแต่งจะเอาทีเดียวให้เนี๊ยบเลยนะนม่นทำไม่ได้นะนนอย่าลืมกัรยาณนะมิตรนะแล้วก็รู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไป เห็นไหมตัวอะไรพยักหน้าเนี่ยรู้สึกอย่างนี้นะแต่อย่างเนี้ยเพ่งแรงไปใจจะแน่นอย่าไปบังคับจิตมากไปนะกลัวจะไม่รู้ตัวบังคับมันมากจะแน่นแน่ยอ ง, ง, งคล้ายๆบังคับใช่ไหมคะแน่นไหมล่ะบางครั้งค่ะบางครั้งก็แสดงว่าบังคับบางครั้ง <c oughs> <c oughs> บังคับอะไรก็แน่นวันนั้นแหละที่รู้จักจิตที่หลไปคิดไหมรู้ค่ะ อ, อให้รู้ทันบ่อยๆเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาหลงหรือยังหลงค่ะเออรู้อย่างนี้นะคะแต่ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้แล้วก็รู้ทันจิตที่ลงไปคิดรู้บ่อยๆะจะได้สมาธิที่ดีขึ้นมาที่เขาว่าไม่มีเรื่องมีแรงกระถูกของเขาหนาแหละแต่หลวงพ่อไม่บอกหลวงพ่อค่อยๆบอกทำอย่างนี้สิทํำนี้สิสถ้าทํานะเดี๋ยวก็มีแรงขึ้นบอกเยอะไปแล้วก็ใจฝ่อ ทำต่อไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้ใช่ไหมคะมทําเป็นอย่างนี้แหละทําบ่อยๆขอบคุณค่ะกล่ลวาวละมัศ ก, การหลงพ่อเจ้ค่ะขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติจากที่ปฏิบัติมาเจ้าค่ะเมื่อก่อนหนูจะเป็นคนที่มีโทสะจริตแรงมากและทุกวันนี้หนูเห็นกิเลส ท, ที่มากระทบจิตกิเลส ท, ที่เป็นละเอียดละเอียดซึ่งไม่ใช่โทสะตัวใหญ่ๆ เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเบื่อแล้วก็ไม่ชอบแล้วเห็นอกุศลที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะมากกว่ากุศลรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ได้ดีอย่างที่คิดเป็นคนเลวมากกว่าเป็นคนดีในแต่ละวันที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบเบื่อความเบื่อที่เกิดขึ้นกับหนูตอนนี้เป็นเป็นเป็นเบื่อที่เกิดจากโทสะไม่ได้เบื่อที่เกิดจากปัญญาใช่ไหมใช่เป็นโทสะนะแล้วหนูจะต้องทํำยังไงต่อไปดูมันต่อไปสิ ดูไปเรยมีแต่ของไม่เห็นจะสวยจะงามจะดีอะไรนะควรชอบสวยชอบงามอยู่หรอกนะดูลงไปนะนคะขอบพระคุณครับานเศกาลหลู่พ่อค่ะดีขึ้นเยอะแล้วนะไปทำเอาเออปกติก็ปฏิบัติพยายามปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะก็อยากจะถามหลวงพ่อเพิ่มว่าควรจะ ดูจุดไหนเพิ่มทํำตรงไหนเพิ่มเพื่อให้การปฏิบัติก้าวหน้าค่ะเราอยู่กับปัจจุบันนะอะไรปรากฏแค่ด่วนนั้นนหละไม่ใช่จะไปดูอันไหนดูของที่มันมีอยู่ในปัจจุบันเนี่นะความสุขมีก็รู้มีความสุขความทุกข์มีก็รู้ว่าทุกข์นะอะไรมีอยู่ตรงไหนก็รู้เอาดูลงปัจจุบันไปปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมไม่เหมือนเออถ้าไม่เหมือนใช้ได้นะถ้าเหมือนในนี้เพ่งไหม ขอบคุณค่ะหลานน้อสกานะคะหลวงพอ่อกลัวไห ม, ไมกลัวกลัวให้รๆๆนะู้ว่ากลัวนห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้เพราะฉั้นะต่อไปนี้นะไม่ว่าความรู้สึกชนิดใดเกิดขึ้นมันก็รู้แบบเหมือนที่รู้ว่ากลัวนี้แหละโกรธรู้ว่าโกรธโกรธว่าห้ามไม่ได้นะโลกพรู้ว่าโลกโลกพอห้ามไม่ได้ได้แค่รู้นะรู้บ่อยๆ โลกลปัจจุบันไปไม่มีอะไรมากหรอกพิธาเมาการทมาสการค่ะคือช่วงที่ผ่านมามนเป็นความคิดที่เกิดเร็วมากก็เลยไปอ่านหนังสือธรรมะนี่ใช่ได้ไหมคะไปอ่านหนังสือธรรมะค่ะคือความคิดมันเร็วมากเลยค่ะเกิดตลอดเวลาเลยเกิดเกิดเกิดเราก็เราก็รู้ว่าเกิดแต่ว่าเราทําอะไรไม่ได้เลยค่ะทําอะไรไม่ได้เลยไปอ่านหนังสือธรรมะเลยได้ไหมคะทําไมล่ะ ก็มันมีความรู้สึกมันมันคิดคิดโอ๊ยคิดตลอดเวลาเลยค่ะอ่านหนังสือทำมาแล้วไม่คิดเหรอมันก็คิดเท่าเก่าแหละแต่มันไม่เห็นออกอะไรค่ะอ่านหนังสืออ่านไปก็คิดไปนั่นแหละแต่เราไม่เห็นเนี่ยมือเราจดจ่ออ่าหนังสือเราก็เลยไม่เห็นว่าจิตมันคิดการที่เราเห็นว่าจิตคิดเราได้ปฏิบัตินะเราเห็นจิตมันทํางานได้เองมันเป็นอนัตตาเราเห็นว่าจิตนันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเป็นอนิจจังนั่นแหะคือการเดินปัญญา แล้วหนีไปดูหนังสือซะไม่เห็นใจรักแล้วตัวเองก็หลมกลแล้วละกันเออมาดูมันหลอกสิคืออย่างนี้เวลาที่เราดูจิตดูใจเราเห็นมันทํางานเร็วมากเลยจนเบียนหัวไปหมดแล้วเราทําสมถะนะเพราะฉะนั้นทำสมถะเนี่ยทําอะไรไม่เป็นอ่านหนังสือธรรมะก็ได้แต่ต้องรู้นะว่าตอนนี้เราเบรกตัวเองมาทําสมถะอยู่ไม่ใช่วิธีที่จะเจริญวิปัสสนาหรอก แต่ว่าพอไปอ่านหนังสือธรรมะพอจิตใจแช่มชื่นแล้วนะก็กลับมาดูความรู้สึกมันจะมานิ่มๆนะยะค่อยๆมาแต่ถ้ามัาฟอมรัชพัมจะค่อยเร็วขึ้นเร็วขึ้นมั่วอีกแล้วนะถ้ารั่วอย่างนี้ก็ทําสมถะทําอะไรไม่ได้ก็ไปอ่านหนังสือธรรมะะต้องรู้นะอ่านหนังสือธรรมะไม่ใช่วิปัสสนาเอของโยมดีขึ้นเยอะแล้วเห็นไหมว่าขันมันแยกได้โออหลวงพ่อมา กราคเดือนตุลาพวกเรายังพอน้ำไม่ค่อยเป็นหรอกมารอบนี้หน้าตาของใสขึ้นเยอะเลยนะแยกรูปแยกนามได้เยอะแยะดีรู้สึกไหมกายกับใจคนละอันรู้สึกไหมสุขทุกข์กับใจก็คนละอันนี่ไหมกุศลกัอกุศลก็คนละอันกระใจนี่นักขันมันแยกแล้วนักขันแยกแล้วดูติดนะกระทั่งจิตนะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดใช่ไหม เดี๋ยวก็วิ่งไปที่ตาเนี่ยวก็วิ่งไปทางหูเดี๋ยวก็วิ่งไปทางใจมีแต่ของแปลกปลวนทั้งหมดเลยในะท่านในขันนี้นะไม่มีอะไรที่เราสั่งได้สักอันเดียวเลยไปดูบ่อยๆได้แล้วว่ามาวันนี้อยากไมาัสการหลวงพ่อค่ะขอทบทวนนะคะว่าเขาฟังหลวงพ่อแล้วเข้าใจถูกหรือไม่นะคะ <c oughs> คือฟังหลวงพ่อแล้วคล้ายๆกับบอกว่าให้จิตอยู่กลับเนื้อกับตัวในความว่าถ้าเกิด ได้ยินเสียงหรืออยู่ๆเราได้เกล็ดกลิ่นขึ้นมาเฉยโดยที่เราไม่ได้ไปดมหรือมาแต้ม อ, อันนั้นเป็นอารมณ์ที่หลวงพ่อไม่ให้จิตไปรับรู้ใช่ไหมคะไม่ใช่หลวงพ่อไม่เคยบอกเลยว่าอย่ารับรู้อารมณ์นะธรรมชาติของจิตต้องรู้อารมณ์ใช้หลักนี้นะอธิบายใหม่เมื่อตามองเห็นรูป เห็นไหมเห็นรูปนะไม่ใช่ไม่เห็นเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลที่จิตใจเนี่ยค่อยรู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลที่ใจให้รู้ทันนะเมื่อใจไปคิดเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลที่ใจให้รู้ทันไม่ใช่ไม่ให้รู้อารมณ์นะให้รู้อารมณ์ไปแต่ว่าพอรู้อารมณ์แล้วจิตใจของเราเป็นยังไงรู้ทันรู้ทันจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ อย่านี้จะเป็นการปฏิบัตินะถ้าไม่ยอมรู้อารมณ์ใช้ไม่ได้นะอันนี้คือความหมายว่าจิตอยู่กับเนื้อกับตัวใช่ไหมคะจิตอยู่กับเนื้อกับตัวก็คือ<ๆ>ไม่เอาแต่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะคิดอะไรเพ ล, ลินไปทั้งวันนะมีร่างกายก็ลืมมีจิตใจก็ลืมเรื่อความคิดเป็นจิตหรือไม่คะไม่เป็นความคิดไม่ได้จิตจิตเป็นเป็นคนรู้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวความคิด อ, อ๋อแล้วเป็นสังขารละคันหรือเปล่าคะใช่ ขอบคุณค่ะกราบนมัส ก, การคะ่ะหลวงพ่อไดต้ตื่นเต้นไม่ต้อตื่นเต้นหรอกที่อพอนามันดีอยู่นะอขอบคุณเป็นครั้งที่สองที่ได้มีโอกาสมากราบหลวงพ่อครั้งแรกประมาณสปีที่แล้วเขาไปที่วัดสันสันติธรรมแต่ตอนนั้นทําแต่สมถะเลยยังไม่ค่อยเก็ตที่หลวงพ่อสอนเท่าไหร่ก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้แบบไปหยิบซีดีหลวงพ่อมาฟังอีกทีนึ่แล้วก็ลองปฏิบัติตามรู้สึกเลยว่าเป็นแบบกิเลสเยอะมากแล้วก็เห็น ความโกรธอะไรเงี้ยเข้ามาเยอะเห็นไหมความโกรธไม่ใช่เราใช่ค่ะไม่มีอะไรเป็นเราเนี่ยดูอย่างนี้เรื่อยๆน ะ, ะแต่ว่าเราไม่รีบร้อนหรอกบางคนรีบร้อนสรุปเลยว่าตู้อย่างไม่ใช่เรานะอันนี้ปัญญาลําหน้าไปต้องไม่ให้ปัญญาลําหน้านะค่อยๆเรียนค่อยๆดูไปนะใจมันจะซึมซับธรรมะถ้าเราไปคิดนําว่าอ น, นี่ก็ไม่ใช่เรา น, นี้ไม่ใช่เราใจจะไม่ล้างกิเลสออก ไปทำลงเพาะว่าที่ปฏิบัติอยู่นี่ดีแ ต, <ม>แต่อย่าให้<ม>ใหปัญญาล้ำหน้านะอย่าไปคิดนำมันยังคิดนำนอยู่ใช่ไห ม, มก็มีค่ะคิดไปก่อนขอบคุณมากค่ะบหลง่ออ่ะหมดละนะพอสมควรแก่เวลารับพรอนนะอย่าถาว่ารีวหาปูราปริภูเรนตีสาครัง เอวาเมวาอิโตทินังเปตานางอุปปกปติอิจิตังปฏิตังทุมเฮงคิปะเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยถามณนิโชติรโสยถาสภีติโยวิวัชันตตสัพโรโควินัสตูมาเตผวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยกูภวะ อาพิวาธนาสีลิสนิจังวุทาปจายโนจ ต, ตารโรธรรมาวัันเตอา ย, ยุวันโนสุขังพะลังเราจำนวนมากเหมือนกันนะพี่ว่าดีขึ้นเยอะเลยใจิตใจเราไม่เหมือนเดิมหรอกผมพัอไปก่อนนะ